วันนี้เป็นวันพระวันธรรมะสวัสแปลว่าวันฟังธรรมวันศึกษาธรรมวันปฏิบัติธรรมและวันบรรลุธรรมเพราะว่าจะบรรลุธรรมได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องก็ต้องศึกษาธรรมต้องฟังเทศน์ฟังธรรม จึงต้องมีวันพระวันธรรมัสวนะัสดิเพราะถ้าไม่มีวันพระวันธรรมะสวนะัสดนักเรียนก็จะหนีโรงเรียนหนีเรียนกันจะไม่เข้าวัดกันวันธรรมดาต้องไปทํางานทําการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทอง้องเลยไม่ได้มาโรงเรียนเลยไม่ได้มาศึกษา ไม่ได้มาปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าเลยต้องส่อต้องเลยต้องกำหนดวันพระขึ้นมาซึ่งสมัยก่อนวันพระก็ต้องวักับวันหยุดทางานญาติโยมก็หยุดไม่ต้องไปทำงานญาติโยมก็มีเวลาที่จะเข้าวัดเข้ามาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรม สมัยก่อนคนชาวพุทธจะบรรลุธรรมกันมากกว่าสมัยนี้เพราะสมัยนี้วันพระไม่ได้ตรงกับวันหยุดเสียแล้ววันหยุดทำงานของญาติโยมเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนี่เป็นวันขึ้นข้างขึ้นข้ามแลมขึ้นแรลมเือถึงจะเป็นวันพระ ไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เสมอไปวันขึ้นนามนี้จะเลื่อนไปเรื่อยๆ อ, อาทิตย์นี้ก็มาตรงกับวันพระรหัสเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปตรงกับวันศุกร์มันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆทําให้ชาวพุทธเราไม่มีโอกาสได้มาเข้าวัดกันนอกจากพวกที่ ทำงานส่วนตัวมีกิจการของตนเองก็ยังพอที่จะเลือกวันหยุดได้แต่ถ้าเป็นข้าราชการเป็นพนักงานของบริษัทต่างๆก็ต้องหยุดตามวันที่เขากำหนดให้หยุดซึ่งเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์กันดังนั้นชาวพุทธไม่ให้ขาดทุน สำหรับพวกที่หยุดทางานวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องถือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระเป็นวันที่จะต้องศึกษาปฏิบัติและบรรลุธรรมอย่างนี้ก็จะไม่ขาดทุนเพราะว่าธรรมะนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าข้าวของเงินทองต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ใจได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจมีความเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจได้มีแต่เรื่องหนักอกหนักใจทั้งนั้นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีแต่ความหนักอกหนักใจพอไปได้มาแล้วก็ต้องแบก มันถึงหนักแบกทางใจแบกด้วยความรักแบกด้วยความหวงแบกด้วยความห่วงแบกด้วยความกังวลพออะไรเป็นของเรานี้กังวลขึ้นมาทันทีกังวลว่าเขาจะปลอดภัยหรือไม่เขาจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่เขาจะเป็นอะไรไปหรือเปล่า แต่ถ้าไม่ใช่เป็นของเรานี่ไม่ไม่แบกเลยไม่หนักเลยลูกของคนอื่นนี่เขาจะเป็นยังไงเราไม่เดือดร้อนเลยแต่ถ้าเป็นลูกของเราขึ้นมานี่เป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยเดือดร้อนขึ้นมาทันทีดื้อนิดหนึง่งดื้อหน่อยหนึ่งก็เดือดร้อนขึ้นมาทันทีนี่แหละคือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ได้ให้ความเบาอกเบาใจกับผู้ที่ไปครอบครองมีแต่จะให้ความหนักอกหนักใจให้ความเศร้าโศกเสียใจเวลาอยู่ร่วมกันก็หนักอ ก, ห น, กหนักใจวิตกกังวลต่างๆ น, นา่นนะเวลาจากกันก็ร้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจพระพุทธเจ้าจึงสอนว่า ไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับธรรมะรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงอะไรคือรสแห่งธรมรมรสแห่งธรรมก็คือรสของความสงบของใจนี่เองความสงบของใจนี่แหละเป็นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนัตถิสันติบาังสุ ข, ขัง ไม่มีสุขอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนะอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความหนักอกหนักใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งคนพบพระธรรมอันประเสริฐนี้ส่งคนพบนัตติสันติปราังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มี สุขอื่นนี้นอกจากาไม่สงบแล้วยังให้ความวุ่นวายใจด้วย เ, เป็นความสุขแบบแบบเผ็ดร้อน อ, อย่างนี้ดีกว่ากินอาหารเผ็ดร้อนนี่เป็นยังไงน้ำมูกไหลปวดแสบปวดแสบในปากในลิ้นสู้กินอาหารแบบไม่แสบไม่ร้อนดีกว่า กแล้วสบายนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างความสุขสองรูปแบบด้วยกันความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราเสพกันหากันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นความสุขที่ เดี๋ยวเดียวแล้วมันจะลายเป็นความทุกข์ขึ้นมากลายเป็นความหนัก อ, อกหนักใจกลายเป็นความวิตกกังวลกลายเป็นความเศร้าโศกเสียใจไปไม่เชื่อลองคิดดูลองพิจารณาดูเวลาได้เงินทองมานี้เป็นยังไงดีใจกนะันไหมดีใจแล้วเดี๋ยวก็ต้องมากังวลแล้วว่าจะเก็บไว้ที่ไหนดี จะเอาไปใช้อย่างไรดีที่จะทำให้ <c oughs> มันอยู่กับเราไปนานๆเพราะได้มาก็อยากจะใช้มันแต่ก็ไม่อยากให้มันหมดอยากจะใช้แบบีวิธีไม่หมดก็ต้องไปหาวิธีต่างๆเอาไปลงทุนกันเอาไปฝากธนาคารกันเอาไปซื้อหุ้นกันเอาไปแทงหวยกัน แล้วแต่วิธีที่คิดว่าจะทําให้เงินมันอยู่กับเราไปนานๆถ้าทําไม่ถูกวิธีเดี๋ยวเดียวก็หมดหมดแล้วก็มาเศร้าโศกเสียใจช่วงที่ลงทุนก็ต้องวิตกกังวลว่าจะได้กำไรหรือจะขาดทุนเห็นไหมเนี่ยการมีเงินทองเป็นยังไง สมัยเราเป็นเด็กๆไม่มีเงินทองสบายไอมให้พ่อแม่เลี้ยงอมีอะไรก็กินตามพ่อแม่อไม่ต้องใช้เงินทองไปไหนก็ไปกับพ่อแม่อพ่อแม่อยากจะซื้ออะไรให้ก็ก็ซื้อให้ไม่ซื้อก็ไม่ก็ไม่เดือดร้อนอยู่อย่างไม่มีเงินทองสบายใจกว่าเยอะแยะสมัยเป็นเด็กๆเกนี่ย ไม่มีความกดดันเรื่องการเรื่องการเงินการทองนพอโ ต, โตแล้วนี่ยต้องไปเลี้ยงตัวเองนะต้องไปหาเงินหาทองเองทีนี้แหละเรื่องเงินทองมีปัญหาขึ้นมาทันทีเป็นปัญหาตนะั้งแต่ตอนหาแล้วเวลาหาก็กว่าจะหาได้ก็ลําบากแสนลําบากจะหางานทํำทีท่หนึง่งต้องไปสบับกงานต้องไป ก่อนจะไปสมัครงานได้ก็ต้องมีวุฒิก่อนต้องมีปริญญาก่อนเหนื่อยอีกต้องไปเรียนหนังสืออีกไปเรียนหนังสือเพื่อที่จะได้มีวุฒิมีปริญญาพอมีวุฒิมีปริญญาก็ต้องไปหางานอีกกว่าจะได้ก็เหนื่อยไม่ใช่หาปุ๊บได้ปั๊บเน่บางคนหาเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะได้งาน ได้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะทำไปได้นานเท่าไหร่แคมีแต่ความวิตกกังวลได้เงินเดือนมาก็ต้องมาวิตกกังวลว่าจะใช้ยังไงจะเก็บยังไงออรู้ว่าเดี๋ยวไม่มีเงินก็จะเดือดร้อนอันนี้นะคือชีวิตของของการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเงินทอง พายุ่งเกี่ยวแล้วมันก็จะทําให้จิตใจวิตกกังวลเศร้าโศกเสียใจไม่ว่าจะเป็นเงินทองที่เรียกว่าลาบหรือยศยศก็คือตําแหน่งต่างๆทุกคนอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกันทั้งนั้นทํางานก็อยากจะเป็นหัวหน้าไม่อยากจะเป็นลูกน้องก็พยายามดิ้นรน พยายามทำความดีทำงานขยันหมั่นเพียรเอาอกเอาใจเจ้านายเหลืยซ้ายเลื ย, ย, ยขวาเดี๋ยวเจ้านายสงสารก็เอาตั้งเป็นหัวหน้าเถะหน่อยพอเป็นหัวหน้าก็ดีใจที่ดีใจเดียเด๋ยวเดี๋ยวอยากจะเป็นสูงกว่านั้นนะสิเป็นหัวหน้าผนาัเดี๋ยวอยากจะเป็นหัวหน้ า, าทั้ง ทั้งทั้งระบบทั้งโรงงานเนี่ยมันก็จะไม่ว่าได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้แล้วก็อยากได้เพิ่มขึ้นไปถ้าเป็นข้าราชการเป็นซีหนึ่งซีสองก็ไล่ขึ้นไปเป็นซีสามซีสี่ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นตำรวจทหารก็ เป็นในสิบในร้อยในพันในพลได้ขั้นไหนก็ดีใจเดียวเยีวพอดีแล้วเดี๋ยวก็วุ่นวายกับการที่จะร อ, อรับขั้นต่อไปเมื่อไหร่จะได้ขึ้นทันทีวันที่เขามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งวันนั้นก็หัวอกสันหัวอกสันแขวนกันไปแขวนอะไร หัวสันหัวแขวนไปก็จะดูว่าจะได้หรือเปล่าพอไม่ได้ก็เสียใจได้ใจก็ถ้าได้ก็ดีใจเดียวเดียวเดี๋ยวก็ไปเรงอีกขั้นอนึางแล้วพอได้ขั้นนี้แล้วทีนี้ก็ไปลุ้นขั้นต่อไปอันนี้แล้วมันมีแต่เรื่องมีแต่ความวุ่นวายใจไม่มีไม่มีวันจบวันสิ้น เพอถึงอายุหกสิบครบกรเกษียณอายุเขาก็ปลดหมดเลยได้ขั้นไหนเขาก็บอกว่าบายบายกลับบ้านได้แล้วกลับไปเลี้ยงหลานเลี้ยงลูก <c oughs> <c oughs> ทีนี้ก็ซึมเศร้าเทีนี้ก็มีแต่โรคซึมเศร้าตามมาเมื่อก่อนเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เป็นตมีบริษัทธ์บริวารคอยมารับใช้ตั้งแต่ ตื่นขึ้นมานี่มีบริสัท์บริวารมารอรับใช้แล้วส่งจนถึงขึ้นเตียงนอนพอพ้นจากตำแหน่งแล้วทีนี้ไม่มีใครมารับใช้แล้วเลยทีนี้ต้องทำอะไรเองเลยหนาเศร้ า, น, านี่คือพยายามวาดภาพให้เห็นถึงความสุขทางโลกที่เราหากันความสุขที่ได้จากราบยศ สรรเสริญเวลาได้ได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆได้ได้ได้รางวัลเ ง, เ, เงินเหรียญทองเหเงินหรือได้เครื่องราชอิสริยพรชั้นนั้นชั้นนี้ได้เป็นคุณหญิงคุณหญิงคุณนายได้เป็นท่านผู้หญิงท่านผู้ชายอันนี้เป็น ก็เรียกว่าเกียรติเนี่ยเป็นรางวัลที่ที่ได้จากการทำความดีต่างๆมันก็มีขั้นของมันได้ขั้นนี้แล้วก็อยากจะได้ขั้นนั้นต่อไปเครื่องราชก็มีหลายขั้นหรือเหรียญก็มีหลายระดับเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงแล้วมีระดับ ประเทศระดับภูมิภาคระดับโลกระดับโลกก็เหรียญทองโอลิมปิกนระดับภูมิภาคก็เอเชียนเกมมีหลายระดับด้วยกันก็มีการไต่เต้าขึ้นไปตามกำลังความอยากได้มาก็ดีใจไม่ได้ก็เสียใจนี่แหละคือความสุขที่ คนในโลกนี้หากันคนที่ไม่รู้จักธรรมะจะหาแต่ความสุขจากสิ่งเหล่านี้ความสุขอีกกลุ่มหนึ่งก็คือความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะนะได้ดูได้ยินได้ฟังได้ลิ้มรสได้ดมกลิ่นได้สัมผัสสิ่งต่างๆทางร่างกายพอได้สัมผัสก็เกิดความสุขใจขึ้นมา พอได้สัมผัสกับสิ่งที่ชอบก็ถูกใจพอไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็วุ่นวายใจขึ้นมาเห็นคนที่ชอบก็เกิดความสุขเห็นคนที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ยินเสียงที่ชอบก็เกิดความสุขพอได้ยินเสียงที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์เสียงชมนี่ยิ้มกันแป้นนะแต่วันนี้สวยเลือเกินนะ เธอนาะหอเลือกเกินพอวันนี้บอกเธอนี่ดูหน้าตาดูไม่ได้เลยพอใครเรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานซะหน่อ ย, น, ยอนี่โกรธเลยเรียกว่าควายเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นคนยังโกรธนะก็เป็นแค่เพียงแต่คำพูดเท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นควายซะหน่อยเราเป็นคน แต่พอเขาเรียกเราควายเนี่ยโกรธขึ้นมาทันทีเลยให้ควายอีควา ย, น, ยนี่แหละคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกา ย, เ, ยเวลาสุขก็สุขเดี๋ยวเดียวตอนที่ได้ยินดีใจไปสักพักเดี๋ยวก็ผ่านไปพอไปได้ยินเสียงไม่ดีเข้าก็ความสุขก็หายไปหมดความทุกข์ใจก็เข้ามาแทนทีน่นี่แหละ คือเรื่องของความสุขทางโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายที่คนไม่มีธรรมะจะหากันแต่คนที่โชคดีได้มาเจอธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีความทุกข์เจือปนมาแล้วพอได้แล้วก็สามารถรักษาเอาไว้ได้ให้อยู่กับใจไปเรื่อยๆไม่ให้มีไม่ให้จากใจไปแม้แต่เวลาที่ตายไปความสุขที่ได้ทางธรรมนี้ยังอยู่กับใจต่อไปแต่ความสุขที่ได้ทางโลกนี้เสียไปหมดเลย ลาบยศสัจระเสน ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ได้มานี้พอเวลาตายไปนี้ใจไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนี่แหละเป็นความสุขสองรูปแบบความสุขทางธรรมกับความสุขทางโลกพระพุทธเจ้าเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความสุขทางโลกเห็นความทุกข์ ของความสุขทางโลกก็เลยส่งสอนให้ชาวพุทธเรามาหาความสุขทางธรรมดีกว่าเพราะความสุขทางธรรมนี้ไม่มีทุกข์ความสุขทางธรรมนี้ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของเราความสุขทางธรรมเราจะเรียกว่านิจังสุขขังอัตตา นิจจังก็คือถาวรสุขขังเป็นความสุขล้นล้นอัตตาเป็นของเราอย่างแท้จริงส่วนความสุขทางโลกนี้ท่านส่งสอนว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นิจจังไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปไม่ช้าก็เร็ว พอจากกันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาจากกันมันก็เลยไม่ได้เป็นของเราเป็นของเราตอนที่อยู่กับเราพอเวลามันจากไปมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วถ้าถึงเรียกว่าความสุขทางโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์อยากไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ อย่าไม่หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอย่าหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายเพราะมันไม่เที่ยงอันนี้จังไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมมีได้ก็มีเสียอันนี้แหละคือโลกกะระทำโลกกะระทนี้มีเจริญมีเสื่อมมาเป็นคู่คู่คู่แรกก็คือลาบ จเจริญราบเสื่อมละมีจะเจริญราบก็มีเสื่อมราบกู่ที่สองก็คือยศยศก็มีการจเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปกูที่สามก็คือสรรละเสริญเนื้อนินทามีสรรละเสริญก็ต้องมีนินทาตามมากูที่สี่ก็คือสุขทุกข์ที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะนี้เอง ได้สัมผัสกับรูปเสียงกิรลดโผฏฐะที่ชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาพอรูปเสียงกิรลดโผฏฐะที่ชอบหมดไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือไปสัมผัสกับรูปเสียงกิรลดโผฏฐะที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายนี่ท่านไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับโลกกระท ทั้งสี่คู่นี้ที่เรียวกว่าโลกกรรมแปดเพราะถ้าไปเกี่ยวข้องกับโลกกรรมแล้วจะต้องเจอเจอความทุกข์เพราะว่าได้ลาบแล้วก็ต้องเสียลาบไปในที่สุดได้ยศมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียยศไปในที่สุดได้สรรเสริญเดี๋ยวก็ต้องได้นินทาตามมาได้ความสุขทางต า, งางหูจมูกนิ้วกาย เดี๋ยวก็ต้องเสียความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายไปงั้นอย่าไปหาถ้าไม่อยากจะทุกข์อย่าไปหาราบยศสรรเสริญสุขให้มาหาธรรมะดีกว่าให้มาหารถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงความสุขของธรรมชนะความสุขทั้งปวงความความว่ารถก็คือเนี่ย รสของธรรมะก็คือความสงบความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางปวงเป็นความสงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าเลยต้องดึงญาติโยมสั่งญาติโยมบังคับญาติโยมว่าวันพระต้องเข้าวัดกันวันพระต้องมาศึกษามาปฏิบัติ เพื่อที่จะได้บรรลุศึกษาอย่างเดียวยังบรรลุไม่ได้เช่นวันนี้ฟังธรรมแล้วกลับบ้านยังบรรลุธรรมไม่ได้ยังไม่เกิดความสงบถ้าเกิดก็เกิดเพียงนิดหน่อยเกิดตอนที่มาฟังธรรมช่วงที่ฟังธรรมก็จะได้ความสงบแต่ยังไม่สงบเต็มร้อยเป็นสงบแบบหนังตัวอย่างให้รู้ว่าความสงบที่เกิด จากธรรมะเป็นยังไงความความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นอย่างไรถ้าอยากจะให้ได้ความสุขเต็มร้อยต้องนำเอาไปปฏิบัติการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามเป็นขั้นๆไปเพราะความสุขก็มีแบ่งไว้สามระดับด้วยกันความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แบ่งเป็นสามระดับด้วยกัน ระดับแรกเรียกว่าทานทําทานแล้วใจจะสงบลงจะเกิดความสุขในระดับของทานขั้นที่สองก็คือสงบจากการระ ง, งับจากการกระทําบาปถ้าไม่ทําบาปใจก็จะสงบถ้าทําบา ป, ใ จ, จบาบาปใจก็จะวุ่นในขั้นที่สองแล้วขั้นที่สก็คือสงบจากการทําจิตให้หยุดคิดหยุดอยาก ที่เรียกว่าสมาธิด้วยการควบคุมใจด้วยสติถ้ามีสติก็จะควบคุมใจให้สงบให้นิ่งได้ความสุขระดับนี้เป็นระดับเต็มร้อยแต่ยังเป็นระดับไม่ไม่ถาวรคือยังเกิดเกิดดับดับอยู่จะ้วต้องขึ้นสู่ขั้นที่ขั้นที่สี่คือระดับของปัญญา ถ้ามีปัญญาจะสามารถรักษาความสงบที่ได้จากสมาธินี้ให้กลายเป็นความสงบที่ถาวรที่ต่อเนื่องความสงบที่ได้จากสมาธินี้จะสงบชั่วที่อยู่ในสมาธิพราะออกจากสมาธิมาเดี๋ยวความสงบนั้นจะหายไปได้แต่ถ้ามีปัญญามาประกบเวลาที่ออกจากสมาธิมา มาคอยรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิความสงบก็จะอยู่ไปตลอดถ้ามีปัญญาเป็นผู้มาอารักขาเพราะว่าปัญญาจะเป็นผู้ที่คอยกำจัดสิ่งที่จะมาทำลายความสงบนั่นเองเปรียบเหมือนตำรวจที่เอามาคุ่มครองเงินที่เบิกมาจากธนาคารเห็นไหมเห็นรถที่เขาขนเงินไหมเขาจะต้องมีรถที่ เป็นลดเกราการกระสุนแล้วยังต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีปืนมีรอปพเพื่อที่จะมาป้องกันไม่ให้พวกโจรผู้ร้ายทั้งหลายมาป้นมาจี้เอาเงินที่เอาออกมาจากธนาคารไปเนี่ยปัญญาทาหน้าที่ในอันนี้มาคอยรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิให้อยู่ต่อไป เ, เวลามีโจรผู้ร้าย ชนผู้ลที่จะมาทําลายความสงบคือใครก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่ถ้ามีปัญญาแล้วความอยากจะไม่เกิดเกิดขึ้นมาก็จะดับไปทันทีความโลภเกิดขึ้นมาก็จะดับไปทันทีถ้ามีปัญญาปัญญาก็คือไตายลักษณ์นี่เองการเห็นไตาลักษ์การเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ เห็นอะไรที่อยากได้แล้ว <judging> แต่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาจะไม่เห็นทุกข์จะเห็นว่าเป็นสุขจะเห็นว่าเป็นสวยถ้ามีปัญญาจะเห็นว่าไม่สวยจะเห็นอสุภาะถ้าไม่มีปัญญาจะเห็นสุภาะสุภาะแปลว่าสวยอสุภาะแปลว่าไม่สวยไม่งามเพราะปัญญาจะมองทะลุเข้าไป ภายใต้ผิวหนังก็จะเห็นร่างกายที่ว่าสวยกลายเป็นไม่สวยไปพอเห็นไม่สวยก็ไม่อยากได้ความอยากก็หยุดไปพอความอยากหยุดไปความสงบก็อยู่ต่อไปได้นี่แหละคือระดับของความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันพวกเราเริ่มต้นมีกำลังน้อย จะไปสร้างความสงบระดับที่สามที่สี่นี้ยากเอาระดับที่หนึ่งก่อนเป็นเหมือนเด็กนักเรียนอนุบาลมาหัดกอไก่ขอไข่ก่อนมาหัดนับหนึ่งสองสามก่อนอย่าพึ่งไปอยู่ในระดับที่ต้องไปแต่งบทเรียงความเลยอันนั้นยังไกลเกินไป อ่ากอก่ขอไขให้ได้ก่อนท่องกอก่ขอไขให้ได้ก่อนสะกดให้ได้ก่อนเขียนให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเรียงความเนี่นี่คือความสามารถของของผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการของธรรมจะต้องเริ่มที่ทานก่อนเพราะว่ามันเป็นขั้นที่ผู้ปฏิบัติจะต้อง ผ่านต้องสอบให้ผ่านก่อนนั่นเองเพราะว่าผู้ที่เข้าก่อนที่จะเข้ากระบวนการนี้เขาทําอย่างไรกันเขาก็หาความสุขจากการใช้เงินทองหาเงินทองกันใช่ไหมเพราะว่าเงินทองนี้เป็นตัวที่ซื้อความสุขต่างๆแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงต้องมาเปลี่ยนกระบวนการการซื้อความสุขใหม่ แทนที่จะเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปซื้อของหรูหราซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มไปเล่นไปทำอะไรต่างๆก็เอาเงินทองก้อนนี้มาทำบุญทำทานแทนเปลี่ยนเปลี่ยนการซื้อความสุขซื้อบุญดีกว่าซื้อทานดีกว่าเพราะความสุขที่ได้จาก การทำบุญทำทานนี้เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาและทำให้หยุดความอยากที่จะใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆได้พอเราไม่ต้องใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆได้เราก็ไม่ต้องหาเงินทองมากหาแต่เฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นก็คือปัจจัยสี่ ทุกวัวันนี้ถ้าเราหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่ไม่ต้องดิ้นหล่นมากใช่อหมอถ้าซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่หมห่มจ่ายค่าเช่าที่อยู่อาศัยจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่มากหรอกเงินเดือนขั้นต่ำวันละสามร้อยนี่ก็อยู่ได้แล้วถ้าเราใช้ตามเหตุผลเสื้อผ้า น, นี้มีอยู่เท่าที่มีอยู่นี่ใช้ได้เป็นสิบปีแล้วเนี่ยไม่ต้องซื้อใหม่ ซื้ออย่างมากก็ซื้อแค่ข้าวกินถ้ากินแบบไม่หรูหรากินแบบไม่ไม่มุมามก็ไม่มากกินมื้อละห้าสิบบาทก็กินอยู่ได้ละห้าสิบหกสิบาทข้าวชามก๋วยเตี๋ยวชามนี้ก็อิ่มละนี่ถ้าถ้าใช้ตามเหตุผลตามความจำเป็นแล้วจะไม่ต้องใช้เงินมาก เมื่อไม่ต้องใช้เงินมากก็ไม่มีความกดดันที่จะทำให้ต้องไปทำบาปกันที่คนทำบาปกันเพราะอะไรเพราะอยากจะได้เงินมากๆง่ายๆเร็วๆนั่นเองเพราะใช้เงินมากเลยต้องหาเงินแบบง่ายๆเร็วๆมากๆ ก, ก็ต้องขอรับชั่นกันโกงกันหรือป้นจี้ธนาคารกันป้นร้านเซเว่น มีข่าวอยู่เรื่อยมีป้อนอยู่เรื่อยพวกนี้เพราะว่าเงินไม่พอใช้ใช้มากเกินไปถ้าเราไม่มีความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเพราะเราเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขต่างๆนี้ไปทำบุญให้มันหมดเพราะไม่มีเงินมันความอยากจะไปซื้อมันก็หยุดไปเพราะเราไม่ได้ไป ส่งเสริมความอยากในการที่จะซื้อความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเราก็ไม่ต้องหาเงินมากไม่ต้องหาเงินเร็วไม่ต้องหาเงินง่ายหาแบบถูกต้องดีกว่าถูกกฎหมายถูกศีลธรรมมันก็จะทําทให้เรามีกํำลังที่จะมาะหาความสุขในระดับที่สอง คือความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลห้านี่เองคนที่ทำบุญทําทานได้เนี่จะรักษาศีลห้าได้คนที่เอาเงินทองที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินทองไปเที่ยวเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ถ้าเอาไปทำบุญได้ต่อไปความอยากที่จะใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆจะไม่มีก็ไม่มีอะไรจะมากดดัน ให้ต้องไปหาเงินทองมามากๆมาแบบง่ายๆและเร็วๆก็จะสามารถรักษาศีนหน้าได้อย่างสบายนี่ลถ้ารักษาศีนหน้าได้ก็เกิดความสงบขึ้นมาขั้นที่สองก่อนที่หาเงินแบบทำผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมนี่ถึงแม้จะได้เงินมาแต่ใจได้ความทุกข์มาเวลาเราทำบาปใจเราสบายไหม เวลาเราไปโกหกหลอกลวงไครนี้สบายไหมเวลาไปโกงไขรนี้สบายไหมอันนั้นแหละเราสามารถระ ง, งับความไม่สบายใจเหล่านี้ได้เพราะเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจก็คือการทาบาบนี่และเหตุที่ทำให้เราทำบาปก็เพราะว่าเราอยากจะใช้เงินมากๆอยากจะใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ซื้อข้าวของต่างๆซื้อรถเก๋งซื้อคอนโดซื้ออะไรบ้าบอคอแตกซื้อกันไปถ้าเราอยู่กันแบบสมถะเรียบง่ายไม่ต้องซื้อของเหล่านี้หรอกบ้านก็เช่าก็อยู่ก็ได้ห้องแถวเดือนละสองพันสามพันก็อยู่ได้แล้วจะไปวุ่นวายหาเงินเป็นล้านทาไม ข้าวกินมือละห้าสิบหกสิบข้างถนนส้มตํานี่ก็อิ่มท้องนะจะไปเอาอะไรกันมากมายชีวิตเดี๋ยวก็ตายกันลนะเอาไปได้ที่ไหนนะสมบัติต่างๆที่หากันมาแทบเป็นแทบตายมีกันเป็นหมื่นล้านแสนล้านเอาไปทําอะไรได้มีแต่สร้างความวุ่นวายใจแต่ถ้าเอาไปทําบุญแล้วใจเย็นสบายมีความสุข เวลาเห็นคนอื่นเขาสูขจากการเสียสละของเราเสียสละกระ เ, เป๋ากุชชี่สักใบหนึ่งนี่โอ้ยเลี้ยงเด็กได้ทั้งโรงเรียนเลี้ยงอาหารกัางวันให้เด็กได้เยโรงเรียนผู้รู้ยศสสเนี่ยมีเด็กอยู่ประมาณร้อยยี่สิบคนถ้าอยากจะทําบุญกับเด็กไปทําบุญที่โรงเรียนนี่ยเอาเงินที่จะไปซื้อกระเป๋าคุชชี่หรือคริสเทียนดีออลใบเดียวเท่านั้นเลี้ยงเด็กได้ทั้งโรงเรียนะ แล้วดูซิว่าความสุขที่ได้จากกระเป๋าใบเดียวกับความสุขที่เลี้ยงเด็กร้อยคนนี้มันต่างกันมเออคิดดูสิลองทําดูซิพระพุทธเจ้าไม่โกหกหลอกลวงนะสอนความจริงให้กับพวกเราให้เราหาความสุขที่เป็นความสุขจริงๆเป็นความสุขที่ไม่มีพิษมีภัยกับเราซื้อใบเดียวซื้อกระเป๋ากุชชีใบเดียวเดี๋ยวไปเห็นคริสเตียนดีออลอีกก็อยากได้อีกใบแล้วเนี่ยออ มันไม่พอหรอกบางคนมีกระเป๋ากี่ใบลองไปถามก่าดูพวกคุณหญิงคุณนายทั้งหลายเนี่ยออกงานแต่ละงานนี้ต้องเปลี่ยนกระเป๋านะงานนี้ต้องยี่ห้อนี้งานนี้ต้องยี่ห้อนั้นต้องเลยต้องมีหลายใบก็เลยไปกดดันคุณสามีให้ไปคอร์รัปชันไปหาเงินมาเลี้ยงภรรยาไปซื้อของมาให้ภรรยาใช้อันนี้แหละ คนที่ไม่เข้าวัดเข้าวาจะหลงกับความสุขแบบนี้แล้วก็จะต้องติดกับในการที่จะต้องทําบาปไม่อยากจะทําบาปไม่มีใครอยากจะทําบาปกันนะทุกคนรู้ว่าบาปไม่ดีแต่ความกดดันของสังคมเอ่ยการอยากมีหน้ามีตาเอ่ยอยากให้ภรรยามีหน้ามีตาแม่คนอื่นเขาลบหลู่ดูหมิน่นเขาดูที่กระเป๋าดูที่รองเท้าดูที่เสื้อผ้าดูที่รถเก๋ง ก็ต้องพยายามดิ้นหาเงินทองมาให้ภรรยามีเสื้อผ้าสวยๆงามๆใส่กระเป๋าสวยๆราคาแพงๆนอกจากกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอะไรยังต้องมีเพชรอีกมีสร้อยเพชรมีแหวนเพชรมีตุ้มหูเพชรโอ้ตายคนหนึ่งไม่รู้กี่ล้านแล้วเงินเดือนเดือนแก้ไม่กี่หมื่นมันจะพอเลี้ยงภรรยาเหรอ พอที่จะรักษาหน้าตาเกียรติยศของภรรยาได้นไม่ได้มันก็ต้องไปขอรับชาญกัน <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือความความเป็นจริงในสังคมของโลกที่ไม่มีธรรมะไม่รู้ว่าการกระทําเหล่านี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราหรอกมันให้ความทุกข์ท้มความวิตกกังวลไม่ไม่รู้จะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางเมื่อไหร่ะ ถ้าไม่ทำบาปจะอยางโอสบายใจไม่ทำผิดกฎหมายนอนหลับสบายไม่นอนแบบวิตกกังวล น, นี่คือเรื่องของความสุขระดับที่สองคือความสุขที่เกิดจากการระ ง, งับการกระทำบาปพอไม่ทำบาปแล้วจะทำให้ใจเราเย็นสบายไม่หวาดกลัวเจอตำรวจก็เฉยๆรู้ว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้ ถึงแม้เขาจะการแกล้งเราอย่างไรเราก็ไม่ได้ทำอยู่นั้นอันนี้คือระดับที่สองต้องผ่านระดับที่หนึ่งก่อนคนที่ยังทำทานไม่ได้ในรักษาศีลไม่ได้หรอกเพราะยังอยากจะได้เงินทองพอจะเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆนั่นเองแล้วจึงไม่อยากจะทำบุญทำทานเพราะว่าถ้าทำทานแล้วก็เอาเงินนี้ไปซื้อความสุขที่อยากซื้อไม่ได้นั่นเอง แต่ถ้าเอาเงินไปทำบุญทำทานได้ความอยากซื้อความสุขต่างๆก็จะหมดไปเมื่อหมดไปความต้องการเงินทองก็น้อยลงก็ไม่ต้องไปทำบาปได้เพราะว่าไม่มีอะไรมากดดันที่จะต้องหาเงินแบบง่า ย, ายๆเร็วๆมากๆก็จะรักษาศีลห้าได้เมื่อรักษาศีลห้าได้ก็สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ ขั้นภาวนาได้ความสุขที่เกิดจากความสงบได้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ขั้นนั้นก็ต้องขึ้นบันไดคือต้องขึ้นจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดก่อนอถ้ารักษาห้าข้อได้แล้วรักษาเพิ่มอีกสามข้อนี้ง่ายมากเออพราะไม่กินอาหารหนังเที่ยงวันแค่นี้มันจะยากตรงไหนก็กินให้มันพอตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเลยสิพอหลังจากเที่ยงก็ไม่ต้องกินแล้วอเอแต่ละน้ํามันทีเดียวก็แตะให้มันเต็มถังเลย ทำไมต้องมาแบ่งเติมมันทีละครึ่งถังอ่ะเอมันก็เต็มมันก็เท่ากันอ่ะปริมาณน้ํามันที่เติมใส่รถจะเติมครั้งละห้าลิตรเติมครั้งละสิบลิตรหรือเติมทีเดียวให้มันเต็มร้อยลิตรไปเลยมันก็มันก็เต็มถังเหมือนกันอาหารก็เหมือนกันอาหารที่ร่างกายต้องการมันก็เหมือนน้ามันนี่แหละท้องมันก็มีท้องขนาดเดียวนั่นแหละก็ใส่ให้มันไปเต็มท้องไปเลยสิทีเดียวหนเดียวเอ่ มันก็อยู่ได้ถึงวันนุ่งขึ้นนะมันก็จะสบายไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาอาหารอยู่เรื่อยเพราะการที่จะทำใจให้สงบนี้ต้องหยุดกิจการทางร่างกายไงถ้ายังมีการกระทำกิจกรรมทางร่างกายใจมันจะนั่งสมาธิไม่ได้เพราะว่ า, าใจต้องทำงานควบคุมร่างกายสั่งให้ร่างกายไปหาอาหาร สั่งให้ร่างกายไปหาขนมสั่งให้ร่างกายไปหาเครื่องดื่มสลับกันงนี้กินไปจนกว่าจะถึงเวลานอนเห็นไหถ้าไม่ถือศีลแปดมันจะกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่กินขนมก็กินอาหารไม่กินอาหารก็เดืม่มเครื่องดืม่มไม่งั้นก็เด่นกินของว่างมีให้กินมีให้เดืม่มอยู่เรื่อยๆจนถึงเวลานอนนั้นนะที่ไม่กินไม่ดื่มเพราะกินไม่ได้ดื่มไม่ได้ตอนนั้นตอนนั้นมันนอนหลับ ถ้าถ้ามาห่วงเรื่องกินก็อย่าไปนั่งภาวานาเลยภาวานาไม่ได้พรพอจะนั่งพุโทโธสองคำมันก็คิดถึงขนมขึ้นมาแล้วคิดถึงเครื่องดื่มขึ้นมาแล้วพอคิดขึ้นมาน้ำลายไหลละใจสั่นนะนั่งต่อไปไม่ได้นะต้องลุกขึ้นไปหาขนมหาเครื่องดื่มมาดื่มมากินยา น, นผู้ที่จะไปสู่ความสงบความสุขระดับที่สามได้นี้จึงต้อง เพิ่มศินขึ้นมาสามข้อก่อนเพิ่มขึ้นมาอีกสามข้อแล้วเปลี่ยนข้อที่สามจากการร่วมหลับนอนกันมาไม่ร่วมหลับนอนกันข้อที่สามนี้ยังถ้าถือศินห้ายังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกันได้แต่ต้องเป็นสามีภรรยากันแต่ข้อถ้ามาศถือศินแปดนี้ศีลข้อที่สามนี้จะเปลี่ยนจากการร่วมหลับนอนกันมาเป็นไม่ให้ร่วมหลับนอนกัน ถึงแม้จะเป็นสามีภรรยากันก็ให้แยกห้องกันแยกเตียงกันถ้าต้องการจะถือศีลแปดเพราะการร่วมหลับนอนกันมันก็ต้องใช้การกระทําทางร่างกายจิตก็ยังต้องทํางานอยู่ไปนั่งสมาธิไม่ได้ถ้าอยากจะไม่นั่งสมาธิก็อย่าไปร่วมหลับนอนร่วมกันอันนี้ถือนี่เกิดที่มาของศีลแปด ต้องการให้เราหยุดกิจกรรมทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่าถ้าทำกิจกรรมเหล่านี้จะไม่สามารถไปนั่งเฉยๆทำใจให้สงบได้นั่นเองไม่มีเวลาหนึ่งถ้าเอาไปเวลาไปร่วมหลับนอนการไปกินอาหารไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราจะเอาเวลามานั่งสมาธิได้ที่ไหนจริงๆต้องให้ถือศีลแปด พอถือศีลแปดแล้วไปทํากิจกรรมต่างๆไม่ได้ไปร่วมหลับนอนกันไม่ได้ไปรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันแล้วไม่ได้ไปรับประทานไปกินไปดื่มอะไรต่างๆไม่ได้แล้วนอกจากดื่มน้ําเปล่าถ้าหิวน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าหรือน้ําปานะน้ําที่เป็นยาน้ําเป็นโอสถเนี่ยเดื่มได้น้ําเต้เาน้ําหลดอกดอกอะไรนะั่นน่ะ หรือทีอ่ที่ก็เป็นเขาเรียวกว่าเป็นยาต่างๆเหย่มน้ำยาชนิดต่างๆได้น้ำชากาแฟนี่ถือว่าเป็นยาเหมือนกันเหี่ยมน้าชาอันนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องทำกิจกรรมทางร่างกายในดูหนังดูละครไม่ฟังเพลงไม่เปิดมือถือไม่เปิดดูไลน์ไม่เปิดดู เฟซบุ๊กไม่เปิดดู y o u t u ู e ไม่ดูอะไรทั้งนั้นปิดให้มันให้หมดจะได้ไปนั่งสมาธิได้จะได้มีเวลาเดี๋ยวเปิดมือถือดูเฟ e b o o k ติดตามข่าวสารเพื่อนฝูงวันนี่เข้าไปทำอะไรกันโอ๊ยเขาก็เอาไปกินไปดื่ม ท, นนที่น่นที่นี่เราถือศีลแปดเดี๋ยวก็น้ำลายไหลเดี๋ยวก็ศีลแตกเดี๋ยวตะบะแตก ลาออกตั้งใจจะไม่กินข้าวเย็นนี่พอเห็นเขากินกันก็เลยทนไม่ไหวก็ขอลาศีน 8, แปดไม่เอาแล้วกลับบ้านดีกว่าอันนี้ต้องระวังต้องหยุดกิจกรรมต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกา ย, ยด้วยการถือศีนแปดพอเราหยุดแล้วทีนี้เราก็มีเวลาว่างแล้วหลังจากกินอาหารเที่ยงวันไปแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรไม่มีอะไรให้ทำแล้ว นอกจากมาควบคุมใจให้สงบให้นิง่งด้วยสติตอนต้นก็เดินก่อนเดินจงกรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธคือสติถ้าเรามีพุโทโธเราก็จะมีสติเห็นเราพยายามพุโทโธพุโทโธเพราะถ้าเราพุโทโธเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นั่นเองก็เป็นการหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้ เพราะความอยากมันต้องมีความคิดเป็นหัวหน้าต้องคิดถึงขนมก่อนมันถึงอยากจะกินขนมแต่ถ้าไปคิดถึงอุจจาระมันก็จะไม่กินละนต้องรู้จักคิดถ้าอยากจะคิดแบบไม่อยากต้องคิดกับของตรงกันข้ามอย่าอยากกินขนมก็คิดถึงขนมตอนที่มันกลายเป็นอุจจระขึ้นมามันก็จะได้ไม่อยากกินหรือถ้าคิดไม่ได้ก็คิดพุดโทโธไปแทนก่อนก็ได้พราผู้ปฏิบัติใหม่ๆอาจจะ ไม่ชอบคิดของที่มันโสกโปกของที่มันไม่น่ากินแต่มันหยุดความอยากได้อย่างง่ายดายถ้าคิดได้คิดถึงแฟนก็ต้องคิดถึงศพของแฟนแต่ถ้าคิดถึงศพของแฟนไม่ได้ก็เอา้าคิดพุดโทโธพุโทโธไปก่อนอย่าไปคิดถึงแฟนแทนต้องทำอย่างนี้แล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งจะสงบได้อยาได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง จะได้สัมผัสกับนัตติสันติบาลังสุขขังสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีอะไรที่จะมีที่จะดีเท่ากับความสุขนี้จะเกิดไดจากการที่เรามีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิเจริญสติด้วยการเดินจงกรมเดินไปเดินมาจะกระทั่งเมื่อยก็มานั่งสมาธิ นั่งเวลานั่งจะพุโทโธก็ได้หรือดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้ถ้าพุโทโธแล้วมันเหนื่อยก็หยุดไม่ต้องพุโทโธก็ได้ดูลมเฝ้าดูลมเฉยๆดูที่ปลายจมูกดูที่ลมเข้าลมออกมันจะออกที่ปลายจมูกเข้าที่ปลายจมูกไม่ต้องไปตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาเพราะถ้าตามเข้าตามออกใจมันจะไม่นิ่งใจมนยังทางานอยู่ ต้องหายใจนิ่งให้อยู่จุดเดียวมันถึงจะนิ่งได้ให้ดูอยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเท่านั้นแหละเดี๋ยวใจก็จะสงบเองถ้าลมหายใจไม่มีหายไปก็รู้ว่าไม่มีเฉยๆให้รู้ไปดูว่ามันมีหรือไม่มีไม่มีก็รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็ดูค่อยๆดูว่ามันจะไม่มีไปนานสักเทา่าไหร่ เดี๋ยวถ้ามันมีกลับมาก็จะรู้ว่าเออมันกลับมาแล้วบางทีมันนานๆจะหายใจสักครั้งหนึ่งก็ได้เวลาที่นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรลมหายใจนี้มันจะทิ้งช่วงยาวมันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่มีลมหายใจก็ได้ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไม่ตายถ้าตามได้ยังมีสติรู้อยู่ว่ากำลังดูลมหายใจนี้ไม่ตายไม่มีใครตายจากการนั่งดูลมหายใจเข้า อ, อ มีแต่จะมีแต่บรรลุเป็นพาาระอรหันต์กันเนั้นก่อนที่นั่งดูลมหายใจเข้าออกกันยันอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวเวลานั่งแล้วจับลมไม่ได้ก็ให้รู้ว่าลมมันละเอียดตอนนี้จับลมไม่ได้ก็รู้ว่าตอนนี้ลมมัน ล, มละเอียดここ<ๆ>ก็รู้ว่ามันละเอียดไปเท่านั้นเองอย่าไปให้มันคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าปล่อยให้มันคิดถึงเรื่องลมว่าลมหายไปไหน<ล>ยาตายหรือเปล่าอย่าไปคิดเนีย ให้รู้เฉยๆไปแล้วเดี๋ยวใจมันลมใจมันจะปล่อยลมมันจะเข้าสู่ความสงบมันก็จะวุบเข้าไปแล้วก็เบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจเป็นอุเบกขาขึ้นมาสักแต่ว่ารู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรตอนนั้นจะมีความสุขมากที่เรียกว่านัตถิสันติบาลังสุขขังก็คืออันนี้แหละ ที่เราจะได้จากการที่เราจะเดินสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเดินยืนนั่งนอนไม่ว่าจะทำอะไรให้มีสติอยู่มีสติด้วยการบริกรรมพุทโธไปก็ได้มีสติอยู่กับงานที่เราทำก็ได้กางเดินก็ให้เดินไปกับการเดินให้อยู่กับการเดินไปร่างกายเดินใจก็เดินไปด้วยร่างกายยืนใจก็ยืนไปด้วย ใจอย่าไปที่อื่นไม่ใช่ร่างกายเดินแต่ใจไปที่นู่นพัทยานู่นที่ที่ศูนย์การค้าเนี่ยอะไรเธอร์มเนลย่ิบเอ็ดนู่นแต่เดินจงกกมไปคิดถึงกระเป๋ารองเท้าตามศูนย์การค้าต่างๆอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติ ถ้ามีสติใจต้องอยู่กับร่างกายตลอดเวลาเดินก็เดินไปกับร่างกายยืนก็ยืนกับร่างกายนั่งก็นั่งกับร่างกายทำอะไรก็ทำกับร่างกายไปรับประทานอาหารก็รับประทานกับร่างกายไปอย่าไปที่อื่นส่วนมากเราชอบแับไปเรื่อยกินอาหารตักข้าวเขาปากวับไปแล้วเราเดี๋ยวค่อยกลับมาตักใหม่อีกทีนึงช่วงเคี้ยวช่วงเกินนี้ไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ เรียกว่าไม่มีสติเยถ้ามีสติต้องอยู่ตั้งแต่ช่วงที่ตักข้าวเข้าปากช่วงที่เคี้ยวช่วงที่กลือนจะต้องอยู่ตลอดเวลาแล้วพอตักช้อนใหม่ก็อยู่ก็อยู่ตลอดเวลาไม่ไปที่อื่นอยู่กับร่างกายอยู่กับการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียวแล้วอย่างนี้จะมีสติที่มีกําลังมากพอมานั่งสมาธิดูลมมันก็จะไม่ไปไหนไม่ไปไหนเดี๋ยวมันก็สงบเงง ห้านาทีสิบนาทีก็สงบละอันนี้คือเรื่องของการสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยสติพอเราได้นี่ความสงบนี้แล้วพอเราออกจากสมาธิมาความสงบนี้เอาลาออกมาใหม่ๆยังสงบอยู่แต่ถ้าเราไม่รักษามันเดี๋ยวมันไปละหายหมดถ้าเจอความอยากปั๊บนี่มันหายเลย พออยากจะได้อะไรขึ้นมาใจสั่นขึ้นมาแล้วใจกังวลกวายกระสับกระสายขึ้นมาถ้าไม่อยากให้ใจกังวลกวายกระสับกระสายก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจให้เลิกให้หยุดความอยากอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันไม่เที่ยงเหมือนเป็นทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวหมดไปเวลาหมดไปแล้วมันจะทุกข์เหมือนไม่ใช่ของเรา อันนี้จางทุกขังอนัตตาให้วิจารณาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่าเป็นอันนี้จางทุกขังอนัตตา้าเห็นว่ามันสวยมันงามก็ต้องดูว่าเวลาที่มันต่อไปมันจะต้องไม่สวยไม่งามไม่มีอะไรที่มันจะสวยงามไปตลอดคนเราเดี๋ยวก็ต้องแก่ใช่ไมเพราะแก่แล้วสวยไหมนั่นแหละหรือข้าวของต่างๆที่ซื้อมาใหม่ๆก็สวยใช่พอใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็เก่า เสื้อผ้าชุดใหม่ๆซื้อมาใสา่ไม่ได้กี่วันกี่เดือนอหมดแฟชั่นไปแล้วมีแฟชั่นใหม่ออกมาแล้วให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่ซื้อดีกว่าอย่าไปซื้อของเพราะความอยากให้ซื้อของเพราะความจำเป็นต้องใช้ถ้ามันจำเป็นแล้วมันจะเป็นแบบไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นเสื้อผ้ามันจะเป็นรุ่นล่าสุดหรือไม่รุ่นล่าสุดมันก็ทาหน้าที่เหมือนกัน หน้าที่ของเสื้อผ้าก็คือมาปกป้องหุ้มหอร่างรักษาร่างกายเราเท่านั้นเองปกปิดร่างกายเราไม่จาเป็นจะต้องเป็นแฟชั่นรุ่นล่าสุดไม่จาเป็นจะต้องมาจากร้านดีออร์แล้วมาจากร้านกุชชี่อะไรก็ได้มาจากสำเพ็งก็ได้มาจากตลาดจดตุจักรก็ได้มันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันเอาไวส้สวมใสเท่านั้นเองให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะหยุดความอยากได้ พอไม่มีความอยากใจก็จะกลับสงบกลับไปอยู่ที่ความสงบต่อไปอนี่แหละนี่คือหน้าที่ของปัญญาต้องปัญญามีหน้าที่มารักษาความสงบถ้ายังไม่มีความสงบจะมีปัญญาไว้ทำอะไรไม่มีความจำเป็นนยรถรถที่ไม่มีเงินทองรถที่ไม่ได้ขนเงิขนขนทองนี้ต้องมีรอปพป่ะไม่ต้องเพราะไม่มีใครจะมาเข้ามยเงินเนี่ย แต่รถที่มีเงินทองขนมาจากธนาคารเนี่ยจะต้องมีรอปรพอคอยคุ้มครองใจก็เหมือนกันใจที่ไม่มีความสงบมีปัญญาก็ไม่มีไม่รู้มีไว้ไปทำไมมีไปมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรเพราะมันก็ไม่ได้ไปทาให้ใจสงบได้มันต้องมีความสงบก่อนแล้วถึงจะมีปัญญามารักษาความสงบนั้นต่อไปอย่างนต้องอย่าเพิ่งข้ามขั้นสมาธิสร้างความสงบให้ได้ก่อน เมื่อส่้านความสงบเราจะได้รู้ว่าทําไมจึงต้องมีต้องใช้ปัญญาเพื่อจะได้เอาปัญญามารักษาความสงบจ้องมาหยุดความอยากต่างๆแต่ถ้าใจไม่สงบมันถูกความอยากลากไปแล้วจะไปเอาอะไรมาหยุดมันนะมันเอาไปแล้วมันเอาไปความอยากโจรมันเอาไปกินหมดแล้วตารวจมาตามจับที่หลังไปตามมันทันที่ไหนนะมันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อันนี้ถึงต้องมีสมาธิก่อน ล้าถึงจะค่อยมามีปัญญาถึงจะได้เอาปัญญามาคอยคุ้มครองรักษาความสงบเพราะความสงบจะถูกความอยากมาทำลายแล้วสิ่งที่จะทำลายความอยากก็คือปัญญาปัญญาก็คือการเห็นทุกอย่างว่าเป็นตรลักษ์เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราหรือเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามไม่น่าดูเดี๋ยวมันจะต้องกลายเป็นซากศพเียแล้วกลายเป็นคนแก่ หรือถ้าจะดูเข้าไปข้างในก็ได้ดูเข้าไปภายใต้ผิวหนังความสวยอยู่แค่ตรงผิวหนังนั่นเองฝรั่งเ็าเรียกว่า beauty is only skin deep ความสวยสวยแค่ระดับผิวหนังเท่านั้นเองพอเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วไม่มีอะไรน่าดูน่าชมเลยมีแต่ของที่น่าเกลียดน่ากลัวทั้งนั้นนี่คือปัญญาที่เราจะต้อง มาหัดสร้างกันขึ้นมาต้องหัดแล้วเลึกถึงไตลักอยู่เรื่อยๆนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานึกถึงอสุภะความไม่สวยไม่งามต่างๆถ้าเป็นของกินก็นึกถึงเวลาที่มันไม่น่าดูมั่งเวลาที่มันถ่ายออกมาเวลาที่อาเจียนออกมานี่เป็นยังไงก็อาหารทั้งนั้นอาหารอนาเลศอร่อยที่อยู่ในท้องเรานี่พอออกมาจากก้นเรานี้ไม่ไม่ต้องการมันแล้ว แต่เวลาอยู่ข้างนอกอยู่ในจานนี้โอ้อยากจะยัดมันเข้าไปยัดมนเข้าไปพอมันออกมาจากก้นเรานี้ไม่อยากจะแตะต้องมันเลยมันก็เป็นอาหารเหมือนกันแหละเพียงแต่มันไปเปลี่ยนสภาพแล้วเป็นเหมือนร่างกายเราเป็นเหมือนโรงงานรู้ไหมโรงงานผลิตอุจจาระเนี่ยเราอาหารเป็นวัตถุดิบใช่ไหมวัตถุดิบคืออาหารเครื่องดื่มต่างๆเข้าไปในปากแล้วพอเข้าไปในท้องโรง ง, งานมันก็จัดการอผลิต เปลี่ยนเป็นอุจจระออกมาพอเป็นอุจจระเราก็ลังเกียดมันแล้วอย่างถ้าเราไม่อยากจะกินอาหารก็ใคิดถึงอาหารตอนที่มันเป็นอุจจาะแล้วมันจะอิ่มขึ้นมาทันทีมันจะไม่อยากกินขึ้นมาทันทีอันนี้คือเรื่องปัญญาไม่ใช่เรื่องสัพ ป, ปะดนนะเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดเรื่องสัพ ป, ปดนนี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญามันจะต้องมาแก้ความหลง คามหลงที่ไปเห็นว่าของนั่นสวยนั่นงามของนี่น่ากินน่าดื่มนี่ต้องมาดูเวลามันกลายเป็นปัสสวะเป็นอุจจาระมันน่ากินน่าดื่มไหมมันก็ของอันเดียวกันะมันมาจากไหนละ่ะอุจจาระปัสวะมันมาจากไหนละ่ะถ้ามไม่มาจากของที่เรากินที่เราดื่มอ่านี่คือเขาเรียกตักกะเอเท่ากับ b ีถ้า a เท่ากับบีบเท่ากับ c ีอก็ต้องเท่ากับ c ีใช่ไออมันมีตักกะของมันเออ อาหารมันมาจาก อ, อาหารอุจจาระมันมาจากไหนมันก็มาจากอาหารเนียอาหารที่เราชอบเรากินกันเข้าไปเนี่ยมันก็กลายเป็นอุจจาระขึ้นมาอันนี้เป็นการสอนด้วยปัญญาเป็นการแก้กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆถ้าโลภมากๆก็คิดถึงความตายมากก็บ้างก็ได้ถ้าเกิดจะต้องตายวันนี้พรุ่งนี้ยังอยากจะโลภได้นู่นได้นี่อยู่ปะหายหมด้ว อยากจะขอให้หายอยากจะขอให้อยู่ต่อไปเท่านั้ก็พอไม่อยากได้อะไรแล้วถ้าอยากจะเอาสามีก็ไปเลยใครอยากจะเอาภรรยาก็าไปเลยถ้าขอให้แรกกับชีวิตของเราได้ยินดีสละเลยใช่ไหมให้คิดถึงความตายอานิจจังให้คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วรับรองได้เราจะหยุดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาได้ แล้วต่อไปความอยากต่างๆจะหายไปหมดเพราะปัญญามันจะคอยกําจัดอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่มีความอยากแล้วที่นิจใจเราก็สงบไปตลอดเป็นนัตสันติปลังสุขขังไปอย่างถาวรเราเรียกความสงบที่ถาวรว่านิบานังปร ะ, ะมังสุขขัง ความสุขของพานิพานเป็นความสุขที่ยิ่งยอดยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นความสุขสงบที่สงบตลอดเวลาไม่มีเวลาใดที่ไม่สงบเลยเพราะไม่มีเวลาใดที่มีความอยากในใจหลงเหลืออยู่เลยนั่นเองนี่แหละคือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าให้พวกเรามาสร้างกันในวันพระในวันนี้ให้มาศึกษาธรรมแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุธรรม การแสดง อ, อันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวเรวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะอาระโสยะธามณิโชติอาระโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตะวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิจานิจจังวุฒาปะจายโน จตารโรเทมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก Facebook 349, YouTube 230, วิทยุออนไลน์ 35, ผู้รับฟังบนเขา48 รวมทั้งสิ้นหกร้อยหกสิบสองค่ะเดี๋ยวนี้ Facebook จะย้ายไปยู u b e กันมากคนระับเมื่อก่อนนี้ Facebook จะสี่ร้อยขึ้นไปเดี๋ยวนี้เหลือสามร้อยขึ้นแต่ YouTube ขึ้นมาสองร้อยกว่าแล้วต่อไป YouTube อาจจะมากกว่า Facebook ก็ได้คิดว่า YouTube มันปัญหาน้อยกว่ามันไม่ค่อยขาดทาง Facebook นี่รู้สึกว่าบางทีมันขาด มีคำถามไหมมี่ค่ ะ, ะถามมาเลยจากคุณอริยากราบนมัส ก, การเรียนถามค่ะเวลานั่งสมาธิควรเอาจิตมาจับที่เฉพาะคําบริกรรมอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องเอาจิตมาจับที่ลมหายใจเพราะเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตจิตเราจะได้ไม่หวั่นไหวเพราะทุกข์ที่อาจเกิดจากลมหายใจถูกต้องไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ความพอใจ บางคนก็ใช้พุโทโธกำกับไปกับการดูลมหายใจก็ได้บางคนก็ดูลมอย่างเดียวบางคนก็พุโทโธอย่างเดียวไม่มีอะไรตายตัวใช้ได้เหมือนกันทำให้จิตสงบได้เหมือนกันเห็นเราถนัดแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นคำถามจากคุณพัทธพัฒนขอวิธีสู้กับจิตที่มีราคามาก พิจารณาอสุภะก็สงบเป็นพักๆอีกสักพักจิตก็เกิดราคะขึ้นอีกขออุบายในการปฏิบัติเพิ่มเติมอถ้ามันสงบด้วยการพิจารณาอสุภะก็พิจารณาไปสิพอมันเกิดขึ้นมาก็พิจารณามันเหมือนไฟเนี่ยเวลามันลุกเราก็น้ำไปฉีดพอฉีดมันก็ดับเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ฉีดใหม่ทาไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่หยุดฉีดไฟฉีดน้ำเดี๋ยวไฟมันก็ต้องมอดไปนอยาาขี้เกียจเท่านั้นเองคำถามจากคุณจีรากราบเรียนถามพระอาจารย์คนที่ป่วยหนักและจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่เป็นห่วงครอบครัวที่อยู่ข้างหลังจะทำอย่างไรเพื่อให้ละจากความเป็นห่วงได้และจากไปอย่างสงบก็ต้องมีธรรมต้องมีปัญญา มีสมาธิถึงจะไปอย่างสงบได้ถ้าไม่มาฝึกตอนที่ยังแข็งแรงอยู่จะไปทาตอนที่ไม่สบายมันคงจะเรื่องสุดวิสัยเสียแล้วตายก็ไม่แน่บางคนเวลาอยู่ในช่วงใกล้ตายอาจจะเกิดปัญญาขึ้นมาก็ได้เช่นพระพุทธเจ้าไปสอนพ่อสอนใกล้ตายให้มีปัญญาให้ปล่อยวางทุกอย่างว่าไม่เที่ยง ถ้าไปยึดไปติดไปห่วงจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยเขาอยู่ของเขาไปเขาเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราช่วยเขาไม่ได้แล้วเราต้องไปแล้วถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ไม่ไม่ทุกข์ไปอย่างสงบไปอย่างสบายอาจจะมีใครไปสอนหรือเปล่าตนั้นเราจะเชื่อหรือเปล่ามันอยู่ตรงนั้นถ้าเชื่อมันง่ายจะตายไปธรรมะของพระเจ้านี่มีคนมีประโยชน์มาก แต่มันดื้อสิบอกว่าไปปล่อยไม่ยอมปล่อยเออยังยึดอยู่นั่นแหละแล้วก็ทุกข์แล้วก็มาร้องว่าทุกข์ไฟไปจับมันมันก็ร้อน่สิอย่าไปจับมันท่านั่นเองมันไม่นยากเย็นตรงไหนเลยแต่ชอบเล่นกับไฟไฟมันร้อนแล้วมันมันนึงไงกันไปรู้พอมันทุกข์แล้วมันมันนึกไงกันไปรู้ชอบทุกข์มันะ คำถามจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วกราบนมสักการพระอาจารย์ค่ะการพยายามละความอยากทั้งสามเป็นมรรคและการปล่อยวางเป็นนิโรธหรือเปล่าครับมันก็เป็นมรรคการปล่อยวางก็ยังเป็นมรรคเหร อ, อะจะว่าการปล่อยวางเป็นนิโรธก็ได้ต้องหยุดความอยากพอหยุดความอยากมันก็จะปล่อยวางปล่อยวางก็คือนิโรธก็ได้มันก็ใกล้กันนะ่ะ มันก็ติดกันพอหยุดความอยากมันก็ปล่อยพอปล่อยมันก็นิโรธทุกข์ก็ดับไปคำถามจากคุณวันทนาการตั้งเป้าหมายในชีวิตเป็นสมุดไทยหรือเปล่าคะหนูรู้สึกว่าใช้ชีวิตไปแบบไปเรื่อยๆเลี้ยงดูร่างกายประคับประคองไม่ให้ผิดศีลธรรมมันทุกข์น้อยกว่าตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้สูง คนทั่วไปอาจมองดูเหมือนเราไม่กระตือรือร้นควรวางใจอย่างไรดีคะการตั้งเป้าหมายชีวิตถ้าตั้งไปทางราบยศสรเสริญสุขก็เป็นสมุทยัยถ้าตั้งไปในทางณทานศีลภาวนาก็เป็นมรคถ้าตั้งใจว่าชีวิตนี้จะทําบุญทาทานรักษาศีลภาวนาอย่างนี้ก็เป็นมรค ถ้าตั้งว่าจะล่ำจะรวยจะเจริญในลาภยศเสรเสริญสุขก็เป็นสมูทยัยเพราะมันจะพาให้เราไปเจอกับความทุกข์ต่างๆคำถามจากคุณโอปอกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะบ้านลูกเป็นบริษัทขายอาหารเสริมและยาสำหรับหมูและไก่โดยเราจะขายให้ฟาร์มหมูไก่ที่เขาเลี้ยงเพื่อไปฆ่าเป็นอาหาร ไม่ทราบว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้ถือเป็นการผิดศีลข้อหนึ่งไหมคะอ๋อไม่หรอกเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเราเป็นคนสนับสนุนชีวิตขายอาหารการขายอาหารนี่ไม่บาปแต่คนที่เอาอาหารไปลเลี้ยงแล้วไปฆ่าสัตว์นั่นะบาปเห็นขายได้ขายอาหารไม่ใช่เป็นอาชีพที่เสียหายเพราะทุกคนต้องกินกันทั้งนั้นนะ คำถามจากคุณวิชัยกราบเรียนถามเจ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าการนั่งสมาธิบุญยังไม่เกิดแต่เหมือนกับการปลูกต้นไม้ยังไม่ได้ผลแต่นานไหมเจ้าค่ะถ้าเรานั่งทุกๆวันแต่จะค่อยๆสะสมบุญได้ไหมเจ้าค่ะก็สะสมต้นไม้ให้มันโตแต่ยังไม่ได้ทําให้มันยังให้มันออกดอกออกผลไม่ได้ต้องให้มันสงบนะมันถึงจะเรียกว่าได้ผลได้บุญได้ความสุข ตอนที่นั่งนี้มันไม่สุขเท่าไหร่แล้วมันพยายามยื้อกันไปยื้อกันมาพุทโธไปเดี๋ยวขนมก็มาเดี๋ยวคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาออังนั้นมันยังไม่สงบถ้ามันสงบแล้วทุกอย่างจะเงียบหมดจะเย็นจะสบายมีความสุขอันนั้นแหละมันถึงจะได้ผลการที่เราทําบ่อยๆก็เหมือนกับการลดน้ำพรวนดินให้กับต้นไม้น่ะคอยทารูบำรุงรักษามัน ถ้ามีวัชพืชมาก็คอยกําจัดมันมีแมลงมาก็คอยกําจัดมันถ้าทําอย่างนี้แล้วเดี๋ยวต้นไม้ก็จเจริญงอกงามออกดอกออกผลขึ้นมาได้ถ้าไม่ทําเลยปลูกปั๊บแล้วก็ทิ้งมันเลยนั่งสมาธิหนเดียวแล้วก็ไม่นั่งต่อเลยมันก็จะไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาได้ตัวที่จะทํานุบำรุงให้ต้นไม้สมาธิจเจริญงอกงามขึ้นมาก็คือสติเราต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆ ยิ่งสติมีมากเท่าไรเวลานั่งก็จะสงบได้มากขึ้นไปเท่านั้นเหตนั้นต้องหมั่นฝึกสติไม่ใช่แคนั้นอย่าไปนั่งซ้าๆทุกวันเวลาเดียวกันแล้วเวลาไม่ได้นั่งก็ไม่มีสติเลยนั่งกี่ครั้งมันก็จะได้เท่าที่เดิมเพราะมันสติมันไม่มีกำลังมากขึ้นต้องฝึกสติให้มากตอนที่เราไม่นั่งช่วงที่เราไม่นั่งนี่สาคัญกว่าช่วงที่เรานั่งถ้าไม่มีสติช่วงที่นั่งมันไม่เกิดผล แต้ต้องการให้มันช่วงที่นั่งเกิดผลต้องช่วงที่เราไม่นั่งนี่ต้องฝึกสติให้มากๆแล้วเวลานั่งเราจะได้มีสติทําให้เกิดผลขึ้นมาคำถามจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วคําว่าศีเลนณโภคสัมปทาหมายความว่าคนรักษาศีลไม่มีวันอดตายและจากการรักษาศีลมา โยมก็เชื่ออย่างนั้นไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมคะก็ดูพระนี่พระนถือศีลอดตายไ้ย ม, มีพระองค์ไหนอดตายไหม αι? มีคนอยากจะใส่บายกันเยอะแยะเพราะคนถือศีลเป็นคนดีคนไม่ไปทำใครให้เสียหายเดือดร้อนก็มีคนยินดีที่จะสนับสนุนให้อาหารกินใช่ก็ดูพระนี่เป็นตัวอย่างมีพระที่ในเมืองไทยอดตายบ้างห ม, มไม่มีหรอกมีแต่กินตน กินเต้าตายมากกว่ากินมากจนตายมากกว่าสมัยนี้ญาติโยมมาโอบกอดจ่ายผ้าแล้วเกินพ้าเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเป็นตุ่มกันนะใช่ไหมน้องพ่อแล้วน้องพี่แต่และองค์นี่จะเป็นตุ่มกันนยไหมคงถามจะคุณจินขอบพระอาจารย์ครับเวลานอนหลับปฏิบัติได้หรือไม่ครับถ้าไม่ได้ขณะหลับใจไปอย่างไรครับ อ, อ๋อขณะหลับก็ไปตามบุญตามบาปครับ ถ้าบุญพาไปก็ฝันดีบาพาไปก็ฝันลายช่วงฝันลายก็เรียกว่าบายถ้าไม่มีร่างกายถ้าฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์ไปด้วยอำนาจของบุญของบาเพราะไม่มีสติที่จะคอยกำกับใจแล้วเวลานอนหลับแลยเวลาตายไม่มีสติที่จะควบคุมใจก็เลยให้บุญกับบามาเป็นตัวควบคุมใจแทนเวลาที่ตื่นนีเรายังพอมีสติควบคุมใจได้ บุญกับบาปก็เลยบางทียังไม่มีความสามารถที่จะเข้ามาควบคุมใจเราได้แต่พอที่เราน อ, นอนหลับนี้หรือตายนี่เหมือนตอนนั้นไม่มีสติแล้หมดสติคนตายอะ้รหมดสติคนหลับนี่หมดสติตอนนั้นก็เป็นช่วงที่บุญกับบาปจะมาเป็นตัวควบคุมใจเราต่อไปถ้าบาปควบคุมก็จะผลิตแต่เรื่องหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวเรื่องของความทุกข์ ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าบุญมันมาเป็นตัวกํากับมันก็จะกํากับแต่ความสุขชนิดต่างๆเหมือนผู้กํากับไทยทำหนังหนังโรแมนติกต่างๆนะจะมีแต่เรื่องน่ารักน่าดูน่าชมทั้งหลายแต่ถ้าผู้กํากับเป็นพวกกากับหนังผีหนังบูนี่มันก็จะมีแต่เรื่องหวาดเสียวหวาดกลัวให้ดูอันนี้แหละคือช่วงที่เวลาเราตายไปจะเป็นอย่างนี้ ใจเราจะถูกควบกำกับคือบุญหนื้อบาสมาผลิตภาพยนตร์มาหลอกเราให้เราฝันดีฝันร้ายไปจนกว่าเราจะได้ร่างกายอันใหม่พอเราได้ร่างกายหมาออกจากท้องแม่มาเราก็ตื่นขึ้นมาหลับนานเลยหลับแบบเปลี่ยนร่างกายเวลาตายก็คือเวลาไปเปลี่ยนร่างกายดีๆนี่นร่างกายเก่ามันหมดสภาพแล้วใช้ไม่ได้แล้วจิตก็ออกจากร่างกายไปก็เหมือนนอนหลับไป ก็ฝันไปฝันดีฝันลายไปแล้วพอได้ร่างกายอันใหม่ก็ตื่นขึ้นมาพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ร้องแนละ้วอ๋อตื่นแล้วลืมตาขึ้นแล้วพอลืมตาก็เริ่มมีสติแล้วเริ่มอยากจะได้นู่นได้นี่แล้วอยากได้นู่นได้นี่เวลาไม่ได้ก็ร้องแม่ก็หาหามาให้อยากจะได้อะไรหิวก็หิวน้ำก็หาน้ำมาให้หิวนมก็หานมมาให้ ตอนนั้นมีสติแล้วพอมีสติความอยากมันก็มาแทนน่ะคําถามจากคุณทิปปี้การเลี้ยงวัวนมรีดนมวัวไปขายบาปไหมคะไมไ่บาปเราไม่ได้ฆ่าขเขาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะคนที่เส้นเลือดในสมองแตกนอนไม่รู้สึกตัวจิตเขาอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่เดิมเพียงแต่สั่งการไม่ได้ เมือนเราใช้โดรนเนี่ยเวลาเราใช้โดรนอยู่โดรนมันเสียคนคนสั่งการติดต่อกับโดรนไม่ได้มันก็คนที่ควบคุมโดรนก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ใช่ไหมเวลาเรามีโดรนเราส่งให้มันไปถ่ายภาพอะไรต่างๆเกิดถ้ามันเสียมันมันไม่รับคําสั่งจากเราเนี่ยติดต่อกันไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาร่างกายเป็นอะไรนี้มันติดต่อกับคนสั่งไม่ได้คือจิตเนี่ย จิตก็อยู่ที่เดิมจิตไม่มีที่อยู่จิตอยู่จิตไม่ต้องมีที่อยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้คิดไม่มีร่างกายไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดเมื่อไม่มีขนาดไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมีที่อยู่จะเรียกว่าอยู่ในโลกทิพย์ก็ได้ที่อยู่ของใจก็คืออยู่ในโลกทิพย์หลวงพ่อคะขออนุญาตคะ่ะยางงั้นคนที่เป็นอัลไซเมอร์แสดงว่าจิตเสื่อมไม่ใช่สมองเสื่อมใช่ไหมคะ ไม่หรอกเจ็ดไม่เสื่อมหรอกสมองเสื่อมทางร่างกายพานอาหารนี่ไม่เป็นอัลไซเมอร์หรอกเจ็ดของโบราณไม่มีวันเสื่อมคำถามจะคุณนัทวุฒิฌานสี่คืออะไรครับกะอูเบคาไงฌานสี่ จ, จ็ดสงบเป็นอูเบขาก็เรียกว่าฌานสี่ยศักแต่ว่ารู้ ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเฉยเฉยจะคุณวิชัยถ้าเราทำฌานหนึ่งสองสามสี่ก็คือการทำสมถกรรมฐานยังไม่ถึงวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมคะใช่ฌานทั้งหมดนี่เป็นเป็นสมาธิไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องออกจากฌานก่อนนำมาพิจารณาไตรักอนิจจทุกขังอนัตตา ต้องเพื่อหยุดความอยากต่างๆเดี๋ยวเมื่อ ก, กี้กลับไปพูดเรื่องไอซ้ำเมื่อก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอาจจะพูดไม่ถูกพระอาหารหันต์นี่ถ้านไม่ท่านไม่หลงไม่ลืมแต่ร่างกายของท่านอาจจะหลงลืมได้อาจจะไม่ทํางานพระอาหารหันต์ก็จจะเป็นเหมือนกับคนสั่งร่างกายไม่ได้สั่งให้ร่างกายทํานู่นทํานี่ไม่ได้เช่นสมองมันเป็นอมภพกรรมภาเนี่พระอาหารหันต์ก็เป็นได้ เพราะเป็นเรื่องของร่างกายถ้าเป็นเรื่องของร่างกายนี้พระอรหันต์ก็เป็นได้เหมือนกับปุถุชนแต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจนี้พระอรหันต์นี้จะไม่มีความไม่มีวันหลงไม่มีวันดืมแต่บางทีมันต้องใช้ร่างกายเป็นตัวแสดงความว่าไม่หลงแต่ร่างกายมันแสดงไม่ได้ก็อาจจะเป็นได้เดี๋ยวต้องเขาพูดให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิด บางทีผ้าอรหันาอาจจะดูร่างกายของผ้าอรหันอาจจะเป็นเหมือนร่างกายของคนธรรมดาคนธรรมดาถ้าถ้าเอาซาร์เมอร์มันเกิดจากทางร่างกายมันก็เกิดกับผ้าอรหันได้เกิดกับร่างกายของผ้าอรหันได้แต่ใจของผ้าอรหันนี้ไม่มีส่วนที่ลืมได้กับส่วนที่ไม่ลืมส่วนที่ลืมได้คืออะไรพวกความจำต่างๆชื่อเสียงคนนั้นคนนี้เหตุอาจจะบางทีจาไม่ได้ นานเจอกันทีนึกชื่อไม่ออกอันนี้ลืมได้เอแต่สิ่งที่ไม่ลืมก็มีคือความจริงนี้ไม่ลืมเชนอริยรรสัจสี่นี้ไม่ลืมเ น, นี่ยนิจังทุกขังอนัตตานี้ไม่ลืมออันนี้เป็นเรื่องของจิตของพรนะอรหันต์ยั้นเรื่องเอาทราเมื่อนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นที่ร่างกายหรือเป็นที่จิตใจถ้าเป็นที่ร่างกายพระอรหันต์ก็เป็นได้เอ คนธรรมดาก็เป็นได้เหมือนกันขอบคุณค่ะ เ, เดี๋ยวต้องพูดให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดื่อทีพูดอาจจะไม่เข้าใจคำถามจากคุณกำพลการถวายอาหารดอกไม้และน้ำให้พระรูปให้พระพุทธรูปจะได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่าพระพุทธรูปรับไม่ได้ การจะถวายขอให้เกิดบุญนี้ต้องมีผู้รับแล้วต้องต้องมีผู้เสียสละนี่ผู้ให้ก็ไม่ได้เสียสละอะไรเ <c oughs> พียงเอามาตั้งไว้เฉยๆเสร็จแล้วก็ไปกินหรือไปโยนทิ้งแล้วแต่ถ้าไปทําบุญถ้าไปให้ทานต่อก็จะได้เช่นบูชาพระพุทธรูปเสร็จก็ไปให้ขอทานนี้ออาหารพระพุทธรูปไปกินนี้ก็ได้ทานเพราะได้การทําบุญทําทานไป แต่ถ้าเอาไปตั้งไว้เสร็จแล้วพอยกกลับมาก็เอาไปโยนทิ้งนี่ก็ไม่ได้อะไรเหมือนเอาของที่เรามีแล้วทิ้งของไปแค่นั้นเองไม่ได้รับผู้ไม่มีผู้รับประโยชน์จากการเสียสละของเรามันก็เลยไม่มีความรู้สึกว่ามีความสุขใจอิ่มใจแต่ถ้าผู้มีผู้รับเขาได้รับประโยชน์จากการเสียสละของเราเราก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเป็นบุญขึ้นมา ความอิ่มใจสุขใจนี่แหละคือบุญถ้าไปตั้งไว้เฉยๆแล้วไม่รู้สึกอะไรก็แสดงว่าไม่เกิดบุญเพราะไม่มีผู้รับประโยชน์พระพุทธรูปก็กินไม่ได้แล้วไปตั้งไว้เช่นนั้นใครได้รับประโยชน์ไม่มีใครได้รับประโยชน์เราก็เลยรู้สึกเฉยๆไม่เหมือนกลับมาให้ขอทานที่มันหิวโหวยพอมันได้กินแล้วมันมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเราเห็นมันแล้วโอ้ยเราเป็ความสุขเอีอันนั้นละบุญเกิดก็แล้ว ต่อไปคำถามหมดแล้วค่ะพระอาจารย์เออหมดแล้วเดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวให้ห้านาทีถ้าไม่มาก็จะปิดฉากมาพอดีเลยเออมาก็ว่าต่อไปจากคุณท็อปกุงุงกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับมีวิธีเจริญสติสำหรับฟุ้งซ่านวิตกกังวลมากๆไหมครับว่าจะดูจิตดูกายหรือพุทโธดีเพราะรู้สึกแน่นและอึดอัดมากครับ พยายามวางและปล่อยแล้วกราบขอบพระคุณครับพุโทโธนะ่ะดีที่สุดง่ายที่สุดพุดโทโธไปอย่าไปคิดอะไรพุโทโธไม่ได้อยากจะสวดยาวๆก็ได้สวดบนไปยาวๆก็ได้ข้อสําคัญพอเราสวดหรือพุโทโธแล้วเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวความรู้สึกอึดอัดต่างๆก็จะหายไปอย่าไปคิดก็แล้วกันต้องมีอะไรให้จิตทำ ไม่พุทถ้าพุโทโธมันซ้ำซากเบื่อหน่ายก็ส่วดวนบทยาวๆไปก็ได้สวดอิติปิโสร้อยจบเนี่ยลองสวดได้สักร้อยจบนี่นับลองหายเลยลองดูไหมลองสวดดูสักร้อยจบดูเดี๋ยวมันจะมามันจะมาวุ่นวายกับการสวดเสียมากกว่ากูเมื่อไรจะจบสทัทีอาการอึดอัดจะที่เกิดจากความคิดต่างๆหายไปหมดนะ มาวุ่นวายกันว่าเมื่อไหร่จะสวดบทสักทีถ้าไม่ถ้ามันหายอึอดอัดแล้วก็หยุดสวดได้ไม่ต้องร้อยจบก็ได้คำถามจากคุณจินขอบค่ะพร ะ, ครพระอาจารย์ครับพระอรหันต์ท่านนอนหลับจิตท่านยังตื่นอยู่หรือครับไม่หรอกจิตท่านก็พักเหมือนกันจิตก็พักผ่อนเหมือนกันเวลานอนหลับจิตท่านก็พักสติของท่านแต่สติของท่านจะวัย เวลามีอะไรมาสัมผัสปั๊บี่ท่านจะรู้เร็วกว่าคนที่ปุถุชนที่ไม่มีสติว่าไม่มีสติแบบนอนคนเมาเหล้านี่ไปเตะไปถีบมันมันยังไม่ตื่นเลยแต่พระอาหารหันต์นี่เพียงตามีอะไรมาให้สัมผัสทางตาหูจมกูกลิ้นกายนิดเดียวจะรู้สึกตัวทันทีมีความไวมากสติไวแต่พักสติได้เวลาไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้งานก็พักสติพักผ่อน คำถามต่อไปจะคุณอินทร์สังวรกราบเรียนถามครับที่เรียกว่าการบรรลุธรรมนั้นหมายถึงตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปใช่หรือไม่ครับอันนั้นก็เป็นระดับโลกุตระธรรมแต่ระดับโลกียะก็ต้งการทำฐานก็บรรลุธรรมแหได้ความสงบระดับฐานได้รับความสงบระดับศีนนะระดับสมาธินี้ก็เรียกว่าเป็นระดับโลกียะจะเรียกว่า ไม่ใช่เป็นการบรรลุธรรมก็ได้เพราะถ้าบรรลุธรรมนี่ก็หมายถึงโลกุตตะคือธรรมที่เหนือโลกเหนือการเวียนว่ายตายเกิดส่วนใหญ่จะหมายถึงโลกุตถ้าพูดถึงบรรุธรรมจะหมายถึงระดับพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแต่ถ้าจะพูดแบบทั่วๆไปธไปทแบบทั่วๆไปทานก็เป็นทานก็เป็นธรรมระดับหนึ่งศีลก็เป็นธรรมระดับหนึ่งสมาธิก็เป็นธรรมระดับหนึ่ง เพียงแต่ว่าเป็นโลกียะธรรมยังไม่เหนือโลกยังติดอยู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทําทานรักษาศีลนั่งสมาธินี้ยังไม่หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเพียงแต่ว่าจะได้ไปอยู่ในโลกในส่วนที่มีความสุขคือโลกของสวรรค์ชั้นต่างๆแต่ถ้าถ้าได้ระดับโล ก, กุตระธรรมนี้จะลดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย จากเจ็ดชาติลงไปเหลือศูนย์ถ้าถึงขั้นพระอารหันต์ขึ้นไปต่างกันตรงนั้นคําถามจากคุณลักษนาถ้าหลับแล้วไม่ฝันเลยจิตเราไปอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่เดิมเลยมันไม่ที่ก็บอกแล้วมันก็เพียงแต่มันไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่ฝันเท่านั้นเองบางเวลามันไม่มีอะไรจะปรุงแต่งมันก็ไม่ฝันมันก็นอนหลับไม่ฝันก็มี บางวันมีเรื่องมากมันปรุงแต่งมากมันก็ฝันมันก็มันก็อยู่ที่เดียวกับแต่เวลาที่ไม่ได้หลับนะจิตมันไม่มีที่จะเรียกว่าอยู่ที่โลกทิพย์ก็ได้โลกทิพย์คือโลกที่ไม่มีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมีความกว้างความหนาความลึกให้ไปอยู่ไม่ต้องอยู่ตรงจุด A จุด B จุด C ีมันไม่มีที่มันไม่มีขนาดไม่มีรูปร่างแล้วจะไปวางมันไว้ตรงไหนละ่ะ มันไม่มีที่หวางไม่มีที่ตั้งเพราะมันตัวมันเองมันไม่มีรูปร่างคําถามจากคุณประถมพรการแผ่บุญจากการทําบุญจะอุทิศให้ผู้ใดเพียงพนมมือและบอกกล่าวจะถึงไหมคะถึงถ้ามีบุญถ้าทํานะถ้าไม่ได้ทําบอกกล่าวก็ไม่ถึงต้องทําบุญก่อนนะ เมื่อทําบุญแล้วเกิดความอิ่มใจสุขใจอันนี้เราต้องการแบ่งความอิ่มใจสุขใจให้แก่บผู้ที่เขาโล่งรับไปแล้วก็นึกถึงชื่อของเขาบอกขออุทิศความอิ่มใจสุขใจนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถ้าท่านรอรับอยู่ท่านก็จะได้รับความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับเราคําถามต่อไปจากคุณต้น ในมิลินทปัญหาบอกว่าผู้ที่ทําบาปมาตั้งร้อยปีถ้าเวลาจะตายทําจิตให้ผ่องใสได้ก็ไปสู่สุคติอันนี้จริงไหมครับก็องคุลิมาเนจริงไม่จริงข้าวคนมาตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนทําจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ไปนิพพานได้มันไม่ได้อยู่ที่อดีตเพียงแต่ว่ามันยากคนที่ทําบาปมานี่จะมาทําบุญนี่มันยากกว่าคนที่ทําบุญมา คนที่ถนัดมือขวาให้มาใช้มือขวาต่อมันก็ง่ายพอให้มาใช้มือซ้ายมันก็ยากคนที่ถนัดมือซ้ายให้มาใช้มือขวามันก็ยากเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าถ้าเคยทำอะไรมาแล้วถ้าต้องมาเปลี่ยนมันจะยากถ้าทำเหมือนเดิมมันจะง่ายกว่าถ้าเคยทาบุญมาแล้วมาทาบุญต่อมันง่ายกว่าถ้าเคยทำบาปมาแล้วมาเปลี่ยนมาให้ทำบุญให้มันยากกว่าแต่มันก็ยังทาได้ถ้ามีความตั้งใจมีความพยายาม อยู่ที่การฝืนบังคับใจคำถามจากคุณวิชัยกราบเรียนถามจะทำยังไงจะให้คนที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เขาเข้าใจและศรัทธาเจ้าคะเขาหาใคห้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ต้องไปฟังไปเทศปังเทศไปคุยกับพระอริยบุคคลเหมือนกรับเรา ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องเพชรเราต้องไปค so. wrong, wrong, ja ุยกับคนที่รู้เรื่องเพชรสิไปถ้าไปคุยกับคุณไม่รู้เรื่องเพชรเดี๋ยวฟังแล้วก็งงเพชรจริงเพชรแท้เป็นยังไงมันดูไม่เป็นนะแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าเพชรแท้เป็นยังไงต้องไปคุยกับคนที่เขาขายเพชรเนี่ยเขาจะรู้ว่าเพชรแบบนี้เป็นเพชรปลอมนะเพชรแบบนี้เป็นเพชรจริงแล้วเราจะได้มีความศรัทธาว่าเออันนี้เพชรเป็นเพชรจริงเชื่อได้เชื่อเธอได้แต่อยากจะ อยากจะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องไปหาพระจริงพระแท้พระอริยะท่านก็จะบอกให้เรารู้ว่าเป็นพระจริงเป็นยังไงการได้เป็นพระจริงได้ผลอย่างไรพอได้ฟังแล้วมันก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเองคําถามจากคุณนางอาการตกผวังเป็นอย่างไรเจ้ า, าคะก็เหมือนตกหลุมตกบอ่อแล้วก็หลับไปวูบไป มันมีผวังสองอย่างผวังหลับกับผวังสมาธิถ้าไม่มีสติหมดสติก็เป็นผวังหลับถ้าสติไม่หมดก็เป็นผวังสมาธิจิตก็นิ่งสงบสักแต่ว่ารู้มีสติกํากับใจอยู่ถ้าไม่มีสติกํากับใจก็หลับครอกครอกไว้คาถามจากคุณทวัตชยัยคณิกะสมาธิ อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเกี่ยวข้องกับฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ยังไรครับคือคณิกะกับอุปจารคณิกะกับอัปปนานี่เป็นความสงบระดับที่สี่แต่คณิกะสงบเดี๋ยวเดียวปับเดียวได้งออกมาถ้าเป็นอัปปนาก็สงบสงบได้นานโซปจาระสมาธินี่ตามมาหลังจากได้อัปปนาสมาธิ แทนที่จะอยู่ในอุเบกขาออกไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ออกไปรับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ทังทางทงโลกทิพย์เช่นติดต่อกับเทวดาติดต่อกับคนที่ตายไปแล้วเราลึกชาติได้มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆอภิญญาต่างๆอยู่ในขั้นอุปจาระอุปจาระนี้ไม่ได้หมายก่อนที่จะเข้าถึงอัปปนาต้องหลังจากได้อัปปนาแล้วแล้วออกไป เขเรียก็อุปจาระะจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วหนึ่ง<ม>การมีสติในทุกขณะตั้งแต่ตื่นจนหลับเป็นการสะสมกำลังก่อนเราไปนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดกำลังมากพอเพื่อให้ได้อัปปนาสมาธิถูกต้องไหมคะเ อ, อถูกต้องนะทำให้ได้ลองทำดูอสองขณะที่สติในทุกอริยบท ใจจะว่างและมีความสุขชอยมาเรื่อยๆไม่ทราบถูกไหมคะอถูกแล้วอย่าคิดถ้าคิดแล้วมันจะไม่มีความสุขสติมีสองอย่างสติแบบคิดกับสติแบบไม่คิดเอาสติแบบไม่คิดสติแบบคิดก็เวลาเราทํางานเราก็มีสติอยู่กับงานแต่เราต้องคิดไปกับงานอันนี้จะไม่มีความสุขมันเพราะคิดบางทีคิดแล้วก็มีเรื่องทําให้ปวดหัวได้ซึ่งไม่คิดดีกว่า เอาสติแบบไม่คิดทํางานแบบไม่ต้องใช้ไม่จําใช้ความคิดเช่นกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรเงี้ไม่ต้องใช้ความคิ ด, ด ค, คําถามจากคุณวันนิพา <c oughs> กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการดูกายเคลื่อนไหวทุกอริยบทว่าทําอะไรอยู่เรียกว่าเจริญสติแล้วการภาวนาเรียกว่าการทําสมาธิแล้วการพิจารณาธรรมคืออะไรเจ้าคะวิปัสสนาไง การพิจารณารมก็พิจารณาตายรักทมต่างๆในโลกนี้เป็นตายักไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อหยุดความอยากได้ทำต่างๆนี้เพราะความอยากจะทำให้อยากเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วถ้าเสียไปก็เสียใจยั้นถ้าเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่อยากได้เมื่อไม่อยากใจมันก็จะไม่มีอะไรมาลบกวนใจมาทาให้ใจไม่สงบใจก็จะสงบนิ่งไปเรื่อยๆ คำถามจะคุณกิติกราปเรียนถามครับคําว่าอาจาระศัทธามีความหมายอย่างไรครับต่างกับคําว่าดวงตาเห็นธรรมอย่างไรครับอาจาระศัทธาคือศรัทธาที่ไม่ไม่สั่นคลอนมั่นคงถาวรผู mm hmm. ้ที่จะมีอาจาระสัทธาคือพระพระโสดาบันผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม mm hmm. เมื่อเห็นธรรมเราจะไปสงสัยในธรรมได้อย่างไง คนที่ไม่เห็นธรรมยังสงสัยว่ามีจริงหรือเปล่าธรรมะพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าคนสอนคือพระพุทธเจ้ามีจริงห ร, รือเปล่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้เห็นธรรมนี้เห็นจริงหรือเปล่ามันจะสงสยัยมันจะไม่มีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่พอมันได้มีดวงตาเห็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามันก็จะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าเห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พร้อมๆกันในทีเดียวมันก็จะหายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือเปล่าอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเหล่านี้แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องไปหาที่อินเดียให้เสียเวลาพวกที่ไปอินเดียยังเป็นศรัทธาแบบไม่ใช่อาจาระอยู่กลับมาเดียเห็นพระสงฆ์กินเหล้าเมาก็หมดศรัทธาขึ้นมาได้ก็เพราะว่าไปเห็นพระสงฆ์ต่อไม่รู้ว่าพระสงฆ์จริงก็ไม่กินเหล้า ถ้าพระสงฆ์ปลอมก็กินเหล้าได้เที่ยวผู้หญิงได้เที่ยวผู้หญิงได้แต่ถ้าเป็นพระสงฆ์แท้ท่านไม่ไปกินเหล้าไม่ไปเที่ยวพาราศีกับใครคำถามจากคุณแบงค์กราบนรัต ก, การเจ้าค่ะจิตไม่มีตัวตนไม่มีที่อยู่แล้วจิตเป็นเราไหมคะกราบขอบพระคุณค่ะ ก, ก็จิตเป็นผู้ผลิตเราเนี่ยจิตผลิตเราด้วยความคิดเนี่ย คิดว่าเราเป็นเราก็คิดขึ้นมาทั้งนั้นเรากําลังคิดอยู่ใช่ไหมคิดว่าเราคิดใช่ไหมไอ้ตัวคิดเนี่ยแหละเป็นตัวที่คิดว่าเราคิดนั้วก็เป็นเราขึ้นมาพอหยุดคิดมันก็หายไปใช่ไหมพอไม่คิดเราหายไปไหนมันก็หายไปกับความคิดนั่นแหละว่าเรามันมากับความคิดอมาออกมาจากตัวจิตตัวรู้คิดแล้วก็รู้ว่าคิดคิดว่าคิดแล้วก็เป็นหนงเชื่อกับความคิดว่าเป็นเราขึ้นมาจริงๆ ไปว่าร่างกายเป็นเราร่างกายมันเป็นเราตั้งแต่เมื่อไหร่เออยู่ดีๆก็ไปว่ามันเป็นเราขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าเป็นเราขึ้นมาแล้วก็เรามาทุกข์กับของที่เป็นเราไหมถ้าของนี้ไม่เป็นเราทุกข์ไหมไม่เป็นทุกข์เนี่ยถ้าไม่มีแฟนไม่ทุกข์กับแฟนใช่ไหมพอมีแฟนเพราะเป็นแฟนของเราปั๊บทุกข์กับเขาทันทีเลยเออก็เป็นความคิดเท่านั้นไปคิดว่าเขาเป็นเเปป็็นนแฟนเราเป็นของเราทุกอย่างก็จากความคิดทั้งนั้น ตัวที่คิดก็คือตัวจิตตัวจิตคือตัวคิดตัวรู้นี้เองมีเท่านี้แหละคำถามจากคุณรัติการกราบเรียนท่านอาจารย์ครับในงานกระถินผมเห็นมีผลไม้ผูกไว้ในบริเวณงานพอพระทําพิธีรับกระถินเสร็จแล้วเห็นชาวบ้านต่างแย่งกันเอาผลไม้ที่ผูกอยู่ตามที่ต่างๆในบริเวณพิธีไปเพื่อเป็นมงคลอยากถามท่านอาจารย์ว่า การเอาผลไม้ไปแบบนี้ถือว่าเป็นการเอาของสงไปหรือเปล่าครับถ้าใช่แล้วเราควรแก้ไขในการกระทาที่ผ่านมายังไงครับที่จะไม่ให้เป็นบาปติดตัวครับถ้าไม่มีการอนุญาตก็ไปหยิบของของคนอื่นไปถ้าเขาอนุญาตเขาอยากจะได้กลับไปบ้านเป็นมงคลก็ไปได้เอก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นนี่สงแต่อย่างใดก็อยู่ที่ว่าทำเนีมประเพณีเขาปฏิบัติกันอย่างไร ถ้าก็อนุญาตอะของพอเลิกงานแล้วใครอยากจะได้ลายก็ไปอันนี้ก็เป็นของที่เราเลิกเป็นเป็นชลิมงคลอนี้ก็ว่าไปถ้าเขาอนุญาตแล้วก็โอเคไม่เป็นหนี้เป็นสงไม่เป็นการขโมยถ้าเขายังไม่อนุญาตหรือเราไม่รู้ว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าแต่อยากได้หยิบไปก่อนแนละ้วแย่งกันนี้อันนี้ก็เป็นการขโมยหรือเป็นหนี้สงแล้วไปเอาของที่เขาไม่อนุญาตหรือไม่รู้ว่าเขาอนุญาตหรือเปล่า งั้นอย่าไปหยิบของที่เราไม่รู้ว่าเขาให้เราหรือเปล่าบายังไม่เสร็จพิธีเลยดึ ง, น, ดงนั่นแหละความโลภมาทาบุญคิดว่านี่คือบุญกลายเป็นกิเลสกลายเป็นบาปโดยไม่รู้ตัวคำถามจากคุณนางค่ะการอยากมีเงินมากๆเพื่อจะได้ทำบุญทำทานโดยตั้งจิตแน่วแน่เพื่อสร้างทานบารมีแบบนี้เป็นกิเลสเป็นกิเลสหรือไม่เจ้าคะ เป็นเพราะกิเลสมันหลอกเราพอมันได้มามากๆมันเวลาทําบุญมันทํานิดเดียวอถ้ามันได้มาเท่าไหร่ไปทําบุญหมดนะมันถึงจะไม่เป็นกิเลสกลัวมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่มันก็เป็นกิเลสอยู่ดีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปโลภเอาเงินมาทําบุญพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําบุญกับเงินที่เรามีอยู่แล้วเอส่อนเงินที่ไม่มีอย่าไปโลภมันเป็นทุกข์ได้มาแล้วเวลาเสียไปจะเสียใจเอ เวลากาจจะได้มาก็ยากอาจจะต้องไปทําบาปทํากรรมเพื่อที่จะได้มาอันนี้นก็ยังถือว่าเป็นกิเลสอยู่การอยากได้เงินถึงแม้จะมาทําบุญส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ทําจริงๆหรอกใช่ไหมคนแรยบอกว่าถ้ผมถูกเขตั้งรื่องวันที่หนึ่งผมจะทําบุญแต่ทํานิดเดียวถูกถูกร้านหนึ่งทําแค่หมื่นนึงถ้ามันได้จริงก็ทั้งทําทั้งร้งงานแต่ถ้าถ้าอยากจะเอาเอทําเอาเงินมาทําบุญจริงๆ มันก็อ้างไปแบบซื้อก็เรียกติดสินบนพระ่ยจะได้เผื่อพระจะได้โดนบันดาลให้มันถูกขวยกันนะพอถูกขวยแล้วจะได้มาทำบุญแต่ทำแค่แค่นิดหนึ่งแค่กระยิบหนึ่งแต่ที่เหลือก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกันยันโลกแบบนี้ไม่ดีคำถามจากคุณวันนิพา คนที่ตรณียึดติดในทรัพย์สมบัติเวลาตายไปแล้วจิตจะไปอบายภูมิหรือเปล่าเจ้าคะอ๋อถ้าไม่ได้ไปทำบาปไม่ได้ไม่ไปหรอ ก, รอกตรณีก็เพียงแต่อยา่ากลับมาหาเงินอยู่เรื่อยๆอาจจะกลับมาเป็นหมาก็ได้ในบ้านมีเรื่องเศรษฐีสมัยพุทธกาลตรณีหวงเงินมากได้เงินทองมาเท่าไหร่เขาไปฝังดินหมดแม้แต่ลูกก็ไม่บอกไม่ให้แล้วพอตายไปก็กลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านน่แหะ เพราะอยากจะอยู่ใกล้สมบัติก็เลยต้องมาเกิดเป็นหมาพระพุทธเจ้าผ่านมาก็บอกให้หมาตัวนี้เป็นพ่อของพวกเธอนอะเลี้ยงมันดีๆนะอย่าปล่อยให้มันหนีออกจากบ้านไปนะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติเดี๋ยวไม่นานมันก็พาไปเพระาะหมามันมามาเกิดเพื่อที่จะมาอยู่ใกล้สมบัติมันไงนี่คือเรื่องของความตันีิเรื่องของการติดพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะทาให้คนนั้นกลับมาเกิด วิธีที่จะเกิดแบบรวดเร็วก็ต้องเป็นเดลชานเพราะการจะเป็นมนุษย์ได้มันต้องรอคิวยาวต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนพระติดจีวรก็กลับมาเกิดเป็นตัวเลนตัวมแมลงมาเกาะแต่พอรู้ว่ามาเกิดแล้วก็ใช้จีวรไม่ได้แล้วเป็นตัวมแมลงพอตายไปก็ไปแล้วไม่กลับมาหายแล้ว เศรษีนี้พอหมาตายไปก็รู้ว่ากลับมาก็ใช้ไม่ได้แล้วต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็เลยไปใช้บุญใช้บาปให้หมดเพื่อที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ล้วเงินทองที่ฝังไว้อาจจะหายไปหมดแล้วก็ได้หรือจําไม่ได้แล้วก็ได้เวลากลับมาเกิดใหม่เอาอคาถามอีกข้อหนึ่งสุดท้ายค่ะคำถามสุดท้ายจะคุณจินขอบเทวดาลงมาเกิดกับสัตว์นรกลงมาเกิด เป็นมนุษย์เหมือนกันคนไหนทำบุญต่อในภพมนุษย์ได้ง่ายกว่าหรือเหมือนกันครับอ๋อไม่เหมือนหรอเทวดานะ่ยคนที่ชอบทำบุญ ก, ก็กลับมาทำบุญนะคนที่ชอบทำบาปมันก็กลับมาทำบาปต่อ the, แต่เราจึงมีคนดีคนชั่วอย่างในโลกนี้ปนกันไปคนมาคนชั่วก็เป็นคนที่ออกมาจากอบายคนดีก็เป็นคนที่ลงมาจากสวรรค์เอาแล้นะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา